อุปทิบ้าง อยู่ที่คติบ้างใช่ไหมจะเป็นประโยคสมบัติหรือประโยค่าวิบัติการและสมบัติหรือการลวิบัติหรือประโยคสมบัติหรือประโยควิบัติอุปธิสมบัติหรืออุปธิวิบัติการและวิบัติหรื อ, อการและสมบัติมันก็อยู่ตรงนั้นแหละว่าเขาจะแต่งเวลาไหนเขาจะแต่งแต่ว่าจริงๆนะเขาวางปฏิสนธิไว้เรียบร้อยแล้วประเภทที่ว่าให้และทําเหตุไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วสร้างเหตุไว้3ล้านเหตุ แต่ในสามล้านเหตุนั้นแล้วแต่ว่าเหตุไหนจะให้ให้ผลก่อนเป็นต้นนะนะฉะนั้นปีปีหนึ่งเนี่ยนะเออเอาวันวันหนึ่งเนี่ยเราสร้างขวนขวายสร้างเหตุปฏิสนิที่กันเป็นแถวหมดเลยรัดนิ้วมือหนึ่งมากกว่าแสนโกรธใช่ั้มมากกว่าแสนโกรธขนะแกะแสะแปะเออแสนโกรธครั้งเนี่ยในแสนโกรธครั้งน่ะแล้วถามว่ากว่าจะผ่านมาวันหนึ่งเนี่ยกี่ลัดนิ้วมือก็มู ถามว่าในขณะนั้นตัวสังขารที่สร้างปฏิสนธิเนี่ยอูย้เต็มไปหมดนะมันเกิดมารับอารมณ์ใดๆก็ทํากิจในการที่จะสร้างปฏิสนธินามปฏิสนธิรูปเป็นไปก็ขออย่างเดียวอย่างให้อปุญญาพิสังขารก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นก็สร้างปฏิสนธิในอบายเดี๋ยวถ้าหาไปดูปฏิสนธิวิญญาณเดี๋ยวถ้าบอกว่าสังขารนะ เ, เดี๋ยวก็บอกว่าอาวิชาในการมาพบเป็นปัจจัยแก่สังขารในการมาพบ อวิชชาในรูปภพเป็นปัจจัยแก่สังขารในรูปภพอวิชชาในอารมณภพเป็นปัจจัยแก่สังขารในอรูปภพเดี๋ยวจะไปแยกแยะก็อยู่ไปกันเลยเนี่ยสังขารในการมาพบเป็นปัจจัยแก่วิญญาณในกามาพบสังขารในการมาพบเป็นปัจจัยแก่วิญญาณในรูปภพสังขารในอารมปภพเป็นปัจจัยแก่วิญญาณในอรูป์ภพก็ไปแยกกันทีเนี่ย ในรายละเอียดแล้วปีกย่อยไปเนะีถ้าบอกงี้นะอปุญญ า, าสังขาวิชาอวิชาในอบยายศาสตว์ใช่ไหมให้สังขารในอบยายศัตร์เท่านอยู่แต่กลุ่มของอบยายศัตรนะ์นจริงๆเขาไปแยกสังขาร น, นะสังขารในอบยายศัตร์ให้ปฏิส่วนที่วิญญาณในอบยายศัตร์นี่ไปแยกกันแล้วแล้วอบายศัตร์ก็แยกกันออกไปท่นี้ อันี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุนัขนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็ดเป็ดนะไก่นะช้างม้าวัวควายสุกรเป็นต้นเนี่ยนะก็ไล่กันไปแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเลยนะและมดปลวกอนะแล้วมดกี่ชนิดเนดะ่น <c oughs> โอ้โหปฏิสนณฑที่วิญญาณทั้งนั้นเนะี่ยยังมากมายนะฉะนั้นปฏิสนณฑที่วิญญาณรอรับเราอีกเยอะไม่ต้องหงปฏิสนณฑที่วิญญาณยังรอเรามากเลยใช่ไหม <c oughs> ใครเป็นคนทํา สังขารที่เกิดขึ้นด้วยขันขันนี้ทําขึ้นเนี่ยขันขันนี้ทําขึ้นเนี่ยสังขารเหราเนี้ี่ยไม่มีใครจ้างให้ทําเลยใช่ไหมโมหะเป็นตัวปิดกั้นทําให้เราทําเห็นดีเห็นดีไปได้อย่างว่าเนี่ยเจตนาปัจจุปถานามีการตั้งใจทําเป็นผลโอเวลาจะทําอะไรก็ตั้งใจจริงๆนะประดิษฐ์ประดอยอย่างดีแล้วขณะจะตักข้าวใส่ปากคำหนึ่งอย่างประดิษฐ์ประดอยทําให้กลมกล่อมแต่โลภะเป็นตัวแต่งนะ แต่งอย่างดีเลยบอกแค่นี้กลมกล่อมมากจริงไหมบางทีทําอาหารเนีโวปรุงรสอย่างดีเลยแต่จิตทติคิดปรุงโลภ้าหมดเลยจริงไหมอาหารเพื่อสุขภาพเวลาว่าถวายพระผ้าไม่ฉันโกรธอีกงนะบางคนโกรธโกรธ <laughs> อันนี้คือความจงใจให้สังเกตนะความจงใจทางกายความตั้งใจทางวาจาตั้งใจทางมโนเนี่ย ในการจงใจเนี่ยเจตจำนงที่ตั้งลงและกระทําลงในรายละเอียดทั้งการกระทํากรรมทุกกรรมนั้นเนี่ยล้วนแต่ปุญญาพิสังขารบางอปุญญาและอเนนชายิ่งอเนินชาพิสังขารเนะี่ยต้องโห่ปดิดประดอยเนะจงใจอย่างละเอียดยิบเลยนะถา้างนั้นไม่สามารถปรุงแต่งอเนินชาทําให้เกิดขึ้นมาได้นะฉะนั้นของที่ดีสุดสูงสุดเนี่ยนะยิ่งต้องปรุงแต่งมากยิ่งต้องปรุงแต่งมาก ขนาดปรุงแต่งบาปเนะืวิจิตขนาดนะคนทําบาปเนะี่ยปรุงแต่งวิจิตรนะอย่าลืมเนะี่ยดูได้จากรูปร่างดูได้จากรูปร่างตัวสังขารมันปรุงแล้วก็อวิชาประทับฐานามีอวิชาเป็นเหตุใกล้กายกรรมการกระทําด้วยกายวาจาวจีกรรมและมโนกรรมในทางใจสัตว์หลายไม่พ้นจากสังขารสามเนะี่ยทางนี้ก็เพราะอาวิชา ความไม่รู้โทษและคุณของริยสัจสีอัตถกถาจารย์แสดงไว้ในสัมโมหาวิโนเทนีอัตถกถาบอกว่ามารูปปาตังที่ปัจจีเป็นต้นเนี่ยนะผู้ถูกอวิชาครอบงําย่อมพยายามสร้างสังขางสราสามมีปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารและเนนชาวิสังขานี่เพราะอวิชาครอบงําเนี่ยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงอันเป็นเหตุแห่งชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์ โ, โสกาปริเทวะทุกขโทมนะเสาปลายาตเนี่ยเหมือนผู้กระโดดลงในเหวเนอะประาณนั้นเหมือนกระโดดลงในเหวเลยลงหลุมฐานเพิงลงในเหวเนี่ยโดยอาศัยความอยากได้เทพที่ดาปรมั้นเหมือนอยากได้เทพที่ดาบอุ้ยมีเทพที่ดาอยู่เนี่ยกล้ากระโดดลงในเหวหรือเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟด้วยความยินดีในแสงไฟะแมลงเม่าเห็นกองไฟใช่ไหมเห็นแสงไฟบินเข้าหาเลย หรือเหมือนผู้เลียมีดคมมีดที่ทาที่ทาไว้ที่ทาด้วยน้ำผึ้งคมมีดโกนเนี่ะคมมีดโกนเอาน้ำผึ้งทาเข้าไว้แล้วใช้ลิ้นเลียใช้ลิ้นเลียกินเน่ะเลียแต่ละทีลิ้นก็ขาดเลียก็กินแต่ไม่อยากเจ็บปวดแค่ไหนก็ยอมเพราะว่าได้รสหวานของน้ำผึ้งนั่น่องติดใจในรสน้ำผึ้งอ่ะชั้นใดคือคนปรารถนาขันก็อย่างนั้นนั่นแหละ เราปราถนาตาเราเจ็บปวดได้เพราะการได้ตาเนะปรารถนาหูจมูกลิ้นและปรารถนากายเราจะเจ็บปวดเพราะการได้ตาหูจมูกลิ้นกายและได้ใจเนี่ยมันอุปมาเหมือนเหมือนเราเรียเรียอะไรเรียนน้ำผึ้งติดอยู่คมมิดโก น, นนะ่ยนะแต่มันมองไม่เห็นใช่ไหมมองเห็นไหมว่าถ้าธรรมกรมจะไปเกิดนี่ก็คือเหมือนเรียนน้ำผึ้งที่ติดกับ ไม่โกนเนี่ยด้วยอาศัยความยินดีในรสหรือเหมือนทารกที่หลงคูดของตนเนี่ยเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยหลงอุจจาระของตนเองอจับเอามากินเล่นมาป้ายหน้าตัวเองได้ทานหน้าตัวเองได้ใช่ไหมมันหลงอ่ะก็ความมันหลงนะ่ะมันมองว่าดีกว่าแล้วว่าไงหรือเหมือนผู้ดื่มยาพิษด้วยความเสียใจแล้วก็อยากจะตายอยู่นั่นหรือเหมือนผู้หลงทางเข้าไปในนครปีศาจเขาบอกคนหลงทางเนี่ยวะ หลงทางเนยนะตาบอดด้ว ย, ยผ้ามั t ตาด้วยเลยนะหลงหลงก็ไปในครนก็ปีศาจอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเพราะมีอวิชาสังขารสามจึงเกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้เออถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นโทษของอวิชาเห็นโทษของขันเป็นต้นน่ยนะอีกในหนึ่งเขาบอกว่ายะถาปีนามะชัดจันโทนโรปรินายโกเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่า อันทะปุตุชนรู้จักอันทะปุตุชนไหมคำว่าอันทะปุตุชนนี่ปุตุชนผู้มืดบอดนี่นะแม้คําว่าปุตุชนนี่อธิบายไว้หลายในยาน่านนะคนที่ไม่เห็นคําว่าอันทะปุตุชนนี่คนที่มืดนี่นะมืดบอดหนาอะไรหนาอะไรหนาโลภะโทสะโมหะอย่างหนาทุจริตกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอย่างหนาเป็นต้นนั่ยนะมันเกิดขึ้นแบบนั้นหนาทั้งนั้นแหละ ซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในวัตสงสารขาดผู้จูงขาดสัจจะปฏิเวทญาณคือญาณที่จะแทงตลอดสัจจะสี่เห็นญาณคือปัญญาที่จะแทงตลอดจะรอบรู้ในทุกแล้วก็ละสมูทัยทานิโรธให้แจ้งบ่มอาริมักให้บริบูรณนะ์นไม่มียานนันนิดไม่มีสัจจะปฏิเวทญาณนวนละ อย่างเราเนี่ยรู้จักทุกยิงไหม de, ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้จกักทุกถ้ารู้จากทุกไม่ปรารถนาขันนี่มันไม่รู้อะไม่รู้จักทุกเลยเนี่ยบางครั้งก็ทําทบุญบางครั้งก็ทําบาปเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดที่ไม่มีคนจูงเนี่บางครั้งก็ถูกทางบางครั้งก็หลงทางไอ้คนตาบอดเนี่ยคนตาบอดเนี่ยอย่งทําบุญเนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยคนไอ้เวลาคนตาบอดเนี่ยเดินถูกทางนี่เขารู้ไหมว่าถูกทาง หลงทางก็ไม่รู้ว่าถูกหรือหลงะคนที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยเวลาทำบุญก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญหรอเป็นบุญอย่างแท้จริงมันก็มืดมันอยู่เนี่ยมืดมันอยู่แต่วถ้าหากตรึกพิจารณางี้จะเห็นนะว่าจริงๆแล้วอวิชชาเนี่ยถ้ามันปิดมัมาแล้วเนี่ยทำให้เราไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสังขารว่าเป็นโทษใช่ไหมไม่เห็นโทษของวะัะจริงๆใช่ไหม ไม่เห็นโทษของวัดตาจริงๆวูวิการเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏในวัดตาเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษบางทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เยอะเลยนะที่ตําหนิขันนี้อย่างมากมายเลยนะเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นหลุมทานเพิงเป็นความลําบากด้วยความเป็นอย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยนะตำหนิด้วยประการต่างๆเลยนะแต่เราก็มองไม่เห็นอย่างนั้นใช่ไหมทำไมจึงไม่เห็นเพราะเราไม่ชำระนะ ไม่ชําระสศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นน่ยนะจริงๆก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มืดไปเลยแถเนี้ยมองไม่เห็นไม่เห็นโทษเนี่ยตรงเนี้ยเขาจึงเรียกว่าอันทะปุรชนผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกลางกั้นหนามากคือมีโลภะอย่างหนาลองคิดดูดิถ้าโลภะอย่างหนาโทสะอย่างหนามโมหะอย่างหนาใช่ไหมของอะไรที่มันนั่นหน า, นากิเลสทั้งหลายที่นั่นหนามาปกคุมใช่ไหม มันก็เลยมืดเลยแต่เนี้ยมองไม่เห็นเลยแต่เนี้ยเออนั้นว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นทัทีใช่ไหมอ๋อมัวสงสัยแทบตายนะคําสอนเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วคนที่เขาไม่สงสัย <c oughs> ไอ้เครื่องสงสัยนี่คะพ้นทุกไม่ได้นะอย่าลืมเนี่ยมัวสงสัยอยู่นั่นแหละไอ้ตัวสงสัยตัวลังเลใจบางกลุ่มก็ถูกอะไรถูกการมาฉันท่าดึงบางกลุ่มก็ถูกพยาบาทดึงก็วะแรงๆอ่ะนะ บางกลุ่มก็ถูกถีนมิทะท้อถอยเออเ อ, อเป็นต้นเนี่ยบางกลุ่มก็อุทธจาจัะกุกุจักบางกลุ่มก็กลุ่มวิจิกิจฉ้าสงสัยอย่างเดียวเออกลุ่มเหล่านี้โหดหนานี่ปุถุชนแท้ถ้าปุถุชนแท้จะเป็นอย่างเงี้ยมองไม่ตลอดนี่เป็นนี้ในคําสอนท่านจะกล่าวไว้ในลักษณะเช่นนี้นะอาดูเกี่ยวกวับในเรื่องของสังขาร น, นะนะเกี่ย ว, วในเรื่องของ ปุญญาพิสังขารเนี่ยนะที่ว่าไปเมื่อวานเนี่ยในส่วนของปุญญาพิสังขาร น, นั้นได้แก่มหากุศลเจตนา8ดในมหากุศลเจตนา8ดเนี่ยถามว่ามหากุศลและเจตนาแปดทุกดวงนั้นน่ะสามารถที่จะให้บุญกิริยาวัตถุได้หมดเลยนะเช่นมหากุศ ล, ลจิตปดดวงที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นทานกุศนเนี่ยเห็นก็ได้ เป็นศีลกุศลภาวนากุศลอัปญญานาะอวยยาวจ่าปฏิทานะปตานุโมทนาธรรมเทศนาธรรมสวรรแล้วก็ทิฏฐูชุกรรมเห็นไหมได้สิบเลยอ่ะในบุญกิริยาวัตถุดวงเดียวเนี่ยได้ได้สิบมะได้บุญกิริยาวัตถุ10บคนเราเนี่ยสามารถทําบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการด้วยมหากุศล ญ, ญาณสัมปยุศอสังขาลิกแล้วก็เป็นสมนัตได้ด้วย นี่เป็นอย่างนั้นคือว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนนี่มแล้วก็สรรหอลคดด้วยยานด้วยปัญญาแล้วในขณะนั้นน่ะสภาวะจิตนั้นเป็นสมณส ด, ดวดให้ทานก็ใช่รักษาศีล่หมหรือเจริญสมถาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอัประจาวิญาณหรือการเนาะอ่อนน้อมเนะวัยาวจากการประพฤติประโยชน์เนี่ยปฏิทานคือการให้ส่วนบุญเนื้อ การให้ส่วนบุญแล้วก็ปัตานุโมทนาในขณะที่อนุโมทนาส่วนบุญรำมาสวรรคแม้ในขณะฟังวาธรรมเหมือนทมเทศนาแม้แต่การให้ให้ความรู้แล้วก็เป็นทิฏฐุชุกกรรมอยู่แล้วเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฐิบ้างเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิบ้างก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ว่าท่านผู้นั้นกําลังปาล ก, กุศลอะไรนี้ไปต้น เนี่ยลักษณะเนี้ย ไ, ไหมแมกุศลดวงแรกได้สิบได้บุญกิริยาวัตถุสิบและเมื่อได้บุญกิริยาวัตถุสิบถ้าเป็นกุศลดวงแรกนะจะตามมาด้วยอะไรอยู่ในกลุ่มของญาณสัมปยุตเมื่อเป็นญาณสัมปยุตเนี่ยในกุศลดวงแรกนั้นน่ยมีอะไรฉันทาธิปติก็ได้วิริยาธิปติก็ได้จิตตาธิปติก็ได้และวิมังสาธิปดีก็ได้เห็นไหม ดูที่ว่าตอนนั้นว่าอะไรขึ้นมาเป็นใหญ่บางทีก็เป็นอะไรน ะ, ะเป็นฉันทะมีความปรารถนามีความพอใจอย่างแรงกล้าในการปารอบฐานกุศลเป็นต้นเนี่ยนะในขณะนั้นอาจจะเป็นวิริยาธิปตีใช่ไหมเพียรในการที่จะไม่ให้บาปเกิดเพียรในการที่จะละบาปเป็นต้นก็ได้หรือในขณะนั้นอาจจะเป็นจิตตาธิปติคือจิตที่มันฝักใยหรือมุ่งมั่นนะจดจ่อเนี่ยอย่างนั้นก็ได้ หรืออาจจะเป็นวิมังสาธิปติคือปัญญานั้นเนะ่ยเข้าถึงความเป็นวิมังสาเลยก็ได้อธิบดีก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าดัง ก, กล่าวมาเนี่ยคูณด้วยทวารคูณด้วยคมคูณด้วยตําสามเนืเป็นกายกรรมก็ได้เป็นว จ, จีกรรมก็ได้เป็นมโนกรรมก็ได้เห็นไหมเป็นสังขารที่เขาเรียกปุญญาภิสังขารเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมทีนี้ยังไม่แยกเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ อย่างต่าอย่างกลางแล้วก็อย่างประนีตเช่นว่ากุศลที่ทํานั้นเป็นปัจจัยแก่การเป็นมนุษย์ระดับไหนเทวดาระดับไหนหรือว่าคุณธรรมอย่างไรเป็นต้นหรือมีของที่ใช้ออกมาเนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยจะให้ผลแบบไหนแบบต่ําแบบกลางหรือแบบประณีตยแยกแยๆแม้แต่กุศลดวงเดียวจึงมากมายถึงเพียงนี้ว่า ง, งั้น น, นี่เป็นอย่างนี้มองเห็นใช่ไหมเนี่ย นี่แหละเขาเรียวกว่ามหากุศลเจตนาที่เป็นปุญญาพิสังขารเนี่ยจึงให้วิบากมากมายเหมือนกันไหมมนุษย์ที่นั่งกันอยู่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมนั่นแหละมาคนละอารมณ์มาคนละกรรมบางทีมากรรมเดียวกันอารมณ์เดียวกันแต่คนละอุปนิสัยเพราะตอนนั้นอะใครมีอธิบดีอะไรนะําก็ยังต่างกันเลยนะ บางคนก็ฉันทะนาบางคนก็วิริยะนําจิตตานําหรือปัญญานําใช่ไหมบางคนก็หนักทางกายกรรมวจีกรรมหรือมนโนกรรมเนี่ยฉะนั้นวิบากที่ได้มาในปัจจุบันเนี่ยก็ให้นึกเลยโอ้พออย่างนี้จึงพิสดารถึงปานนี้ว่าไงจึงพิสดารถึงปานนี้ว่าไงอันนี้ต้องดูตรงนี้นะถึงจะถึงจะทําให้เข้าใจมหากุศุรจิตแปดคูณด้วยบุญกิริยาวัตถุสิบได้แปดสิบใช่ไหม และใน80เนี่ยนั้นก็มาคูณด้วยล่ะคูณด้วยอารมณ์6คือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมรักสารมณ์โพดถภารมและธรรมอารมณ์ได้อีกเท่าไหร่สี่ใน480นั้นก็แบ่งเป็นยาณวิปยุทธกับยาณสัมปยุทธอย่างละ240ร้ย่ิบถาณะวิปยุทธสอรยินี่คูณด้วยอธิบดีองธรรม3าฉันทาวิริยะจิตตะเว้นปัญญา เพราะปัญญาไม่ประกอบนี่ใช่ไหมจึงเอา3ไปคูณเนี่ยเพราะ3คูณ240ได้เท่าไหร่นะเจ็ดยยี่ส่วนยานะสัมปยุตธนั้น240ก็คูณด้วยสใช่ไหมฉันทาวิริยาจิตตะแล้วก็ปัญญาก็เลยรวมเป็นากลายเป็นเท่าไหร่960 720กับ9 4้อยส่องอย่างรวมกันเป็น 1,600 แปดสิบมแปดสิดวงแล้วในมหากุศลหนึ่งพันหร้แปดิบดวงนั้นคูณอะไรนะคูณกรรมสามกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็กลายเป็นห้าพันสี่สิบดวงนะในห้าพันสี่สิบดวงนี่นะเขาบอกท่านยังมาแยกอีกนะมหากรุชนเจตนากรรมห้าพันสี่สิบดวงนะั้นคูณอย่างต่ําคูณอย่างกลางคูณอย่างประณีต กลายเป็นหนึ่งหมื้าพันหนึ่งรอยยสิบดวงเลย น, นี่เป็นอย่างนี้โอ้โหจะพิจารณาอย่างนี้กุศลและจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเข้าใจคําว่ามหากุศลนอย่างว่าให้ผลมากกว่าตนนะและเป็นเบื้องต้นแห่งฌานาสมาบัตนะิอภิญญามาผลนะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมหากุศล น, นั้นนะี่ยจึงมีกําลังมากมหากุศลเจตนาแปดจึงมีกําลังมากแต่ถามว่ามีกําลังมากถึงปานนี้เนี่ย เคยสามารถผลักดันให้ฌานาจิตมรรคจิตเกิดขึ้นในสันดานแห่งตนได้หรือยังบอกถ้ายังโอ้โหต้องรีบแล้วใช่ไหมแสดงว่าปริมาณของกุศลเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่มันมากเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดก็มากแต่ทำไมเนะ้ะเนี่ยเราจึงปารบอารมณ์ใดๆแล้วกุศลจึงไม่มีเลยจึงไม่เดินเลยในชีวิตจริงใช่ไหมมันเพราะอะไรล่ะทั้งๆ ท, ง ท, งที่เหตุที่จะทาให้กุศลเกิดขึ้นมันต้องมากมายบุญกิ มหากุศลและเจ็ดหนึ่งดวงมันก็ได้บุญกี่เียววัตถุตั้งสิบใช่ไหมแล้วถ้าหากแปดดวงอ่ะบุญกีริียววัตถุก็ป่าก็ไปทั้งแปดสิบอย่างเงี้ยเออทาไมเราไม่ได้วะงั้นนะเออทาไมจึงไม่ได้น่าจะได้สักบุญใช่ไหมบุญวันวันวันเนี่ยบางทีเนี่ยอารมณ์มาเข้าทางตาเนี่ยจะปารบเข้าทานกุศลได้ไหมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นน้ําเลยนะเห็นน้ําเนี่ยบางคนได้บุญไม่เท่ากันเลยเนื้อมองมาที่น้ําเนี่ยน้ําแก้วเนี่ย บ า, าาาบางคนได้ทาน ก, กุศลศีลกุศลภาวนากุศลใช่ไหมอัปิจาวยณะเวียวัจจะปฏิทานะปตานุโมทนาธรรมสวนาธรรมเทศนาบางคนก็ได้ทิฏฐิชุกรคำได้ไม่เท่ากันในนี้แต่บางคนมองมาแล้วนอกจากไม่ได้บุญแล้วได้บาปด้วยนเนี่ยมองเนี่ยเห็นไหมมองแค่แก้วใบเนี้ยมองเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมตรึกเข้าหาแก้วใบเนี้ยน้ําในแก้วเนี้ย บุญสักบุญไม่เคยเข้าไปในกระแสจิตเลยเนี่ยเาเรียกว่าเข า, าอะไรนะยากจนแท้อนาถาแท้อะไรงั้ยใช่ไหมมองเนี่ยนะในพระธรรมวินัยนี่น่ากลัวที่สุดก็คือคนยากจนคนไม่มีอริยทรัพย์คนไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นไปในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มอนาถาอะไงี้ ยากจนใช่ไหมว่าเออมองอะไรแล้วมีแต่บาปเกิดบาปเกิดลองคิดดูจะแล่นแค้นกันนั่นไหนในวัตตาแท้ที่จริงน่าจะได้บุญใช่ไหมแล้วสามารถจเจริญบุญได้ดังเยอะอย่างด้ทวารตาสมมทิทำให้มหากุสร์ลจิตดวงแรกเกิดได้ไหมได้ถ้าตรึกเป็นดวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถทําบุญเกลียววัตถุได้ก็สิบแล้วสามารถคูณอธิบดีสี่อธิบดีสามได้ด้วย สามารถเอากายกรรมวิมจิกรรมมโนกรรมมคูณต่อไปก็ได้ด้วยแล้วเป็นอย่างต่ำอย่างกลางอย่างประนีตก็ดแต่ทีนไม่ได้เลยเนทะ่าไรนะ้นหมื่นหมื่นเท่าไร่ันะหมื่นห้าไม่ได้สักดวงเลยน่าคิดกันเนี่ยนะคือทำให้เกิดในกระแสะจิตไม่ได้เลยสั ก, ส, กสักขนาจิตเนี่ยมันก็น่าคิดจริงไหมน่าจะาแต่มันติดตรงคำว่าน่าจะได้ใช่ไหมเหมือนจะได้ เหมือนจะได้เนี่หมายถึงมันไม่ได้เพราะมันได้แค่เหมือน <laughs> มันบอกเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้เพางั้นนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมว่าทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจนะยิ่งที่จะต้องมีให้กระแสะบุญกิริยาวัตถุวิ่งให้มากที่สุดในชีวิตจริงเพราะงั้นในชีวิตจริงให้มันวิ่งให้มากที่สุดจะเป็นมักน้อยในการจเจริญกุศลพระพุทธเจ้าตําหนินะครับ เขาไม่ให้มักน้อยเขาบอกให้มักน้อยในในการในในในวัตถุสิ่งของนะได้แต่อย่าไปมักน้อยในการเจริญบุญให้เกิดมากๆเลไม่ต้องบอกอวันนี้บุญเกิดมากแล้วพอแล้วพอแล้วนไม่ต้องให้มันเกิดมากๆเขาไว้เนี่ยให้มันเกิดมากๆเล ย, น เ, เ, ลยเน้นเอางั้นนะเป็นคนอย่าไปมักน้อยในบุญผิดเลย เขบอกพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะบอกสอนมากน้อยไหมสันโดดเป็นต้นบอก็กเลยจเจริญกุศล น, น้อยน้อยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคิดเลยเนะยอย่างเงี้ยโดยมากการสอนจเจริญกุศลนี่ท่านสอนให้ให้มากเขาไว้ให้มีกําลังเพียงพอในการที่จะเป็นฐานรองรับแห่งฌานอภิน ญ, ญามากโหดได้นั่นถ้าอย่างนั้นก็อย่าพึ่งนิ่งนอนใจอย่าพึ่งนิ่งนอนใจเียวจะกลายเป็นคน อาณาถากว่ากันถ้าเรายากจนถ้าเจอหน้ากันก็ต้องถามออกไปเป็นยังไงยากจนหรือว่ารวยขึ้นอะไรเลยอริยทรัพย์ปรากฏในกระแสะใจบ้างไหมครัในกระแสะขันบ้างไหมครัศรัทธาก็ไม่มีศีลก็ไม่มีสุตะจาฆ่าปัญญาหิริโอตปะไม่มีเลยก็ว่าโอ้โหอย่างนี้แท้แทเลยนะ่ะจนแท้เลยอะไรเงี้ยนะนี่เข้าใจนะเนี่ยนั่นเจตนาในทุกทุก ดวงที่เกิดขึ้นนั้นให้วิบากได้หมดนะอันนี้คิดแบบเป็นส่วนน้อยให้วิบากได้หมดแค่นั้นแหละจึงเราว่าเป็นปุญญาวิสังขารที่เป็นไปในส่วนของมหากุศลนี่เป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะแม้ถ้าไปแยกแยวิบากมายิ่งยิ่งเห็นชัดเนยนะเอาไว้ไปทูปสังขารเป็นปัจจัยเกิดปฏิสนธิวิญญาณ และก็ปวัติวิญญาณก็ต้องไปดูวิบากอีกทีนะว่ากุศลที่เกิดขึ้นปริมาณมากถึงเพียงนี้ว่าเป็นยังไงพอลักษณะของกุศลมหากุศลเจตนานั้นมีความเป็นธรรมชาติหาโทษไม่ได้แล้วก็ให้ผลเป็นสุขเนะี่ยเป็นลักษณะนะลักษณะของมหากุศลเจตนาหรือพวกปุญญาพิสังขารเนี่ยผลของเขาหาโทษไม่ได้แล้วก็ให้ผลเป็นสุขฟังแล้วก็น่าชื่นใจใช่ไหมถ้ามองตรงเนี้ย มีการทำลายอากุศลเป็นกิจแล้วก็มีการผ่องแผ้วเป็นอาการปรากฏมีผลที่น่าปรารถนาเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายและถามว่ากุศลเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเหตุใกล้จำได้ไโยนิโสมนัสิการนี่ไหมโอทภาวนาหรือมโนทวารวัชนะซึ่งเป็นโยนิโสมนสิการนะไม่ใช่อโยนิโสมนัสิการนะจึงจะเป็นเหตุให้มหากุศลหนึ่งมื่เท่าลหร หนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งร้อยี่สิบเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะโยนิสโสมนสิการเป็นเหตุเกิดทีนี้ถ้าสาวไปละโยนิสโสมนสิการจะเกิดได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นเหตุภาษาธรรมการฟังภาษาธรรมใช่ไหมการฟังภาษาธรรมคําสอนที่ถูกต้องเนี่ยถึงจะเป็นปัจจัยให้โยนิสโสมนัิการเกิดแล้วการฟังภาษาธรรมเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าเป็นต้น การคบสัตว์บุรุษคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นในมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปุเพกตะบุญญตาบอกอยู่ในประเทศทันสมควรอยู่ในประเทศทันสมควรมีอะไรเป็นเหตุใกล้บุญเห็นไหมสั่งสมบุญมาดีมีปุเพกตะบุญญตามาดีใช่ไหมก็มาอยู่ในประเทศที่สมควรไอปุเพกตะบุญญตาที่ทําบุญมาดีมีอะไรเป็นเหตุใกล้ การตั้งอัธยาศัยการสั่งสมบา ร, รมีจะเก่าก่อนนู่นเนี <c> ่ย <oughs> นั่นแหละจึงจะเป็นปัจจัยแก่ปเุเพกตาปุญญตาเนี่ยนี่ในลักษณะอย่างนี้มองเห็นใช่ไหมว่ากุศลจะเกิดขึ้นด้วยการหย่อนนี้ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะอยู่ๆถ้าบอกบางคนยิงเกิดยากเริ่มเห็นเนี่ยทำไมกุศลก็ไม่เกิดทำไมก็กุศลไม่เกิดไม่ได้ฟังธรรมไอการฟังธรรมอย่างเดียวบางทีไม่เกิดนะ ถ้ากินกาแฟาเข้าไปง่วงมันไม่หลับเนี่ยแล้วฟังเนีกุศลก็ไม่ไดเกิดหรอกมันงดเหงียบบางทีฟังใช่ไหมกุศลไม่เดินอย่าอย่าพึ่งไว้ใจมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะมองกุศลได้ดีต้องมองให้ดีในภพนี้ครับต้องมองให้ได้ดีในภพนี้เพราะว่าจริงอยู่นีการสร้างอัจฉริยะใสในการที่จะไปเจริญบุญเอาอย่างงี้ดีกว่าเนะี่ยเราทํากุศลในวันเนี้ย นะถ้าเราทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รอวันพรุ่งเนี้ยมันหน้าหวาเสียวเป็นกันใช่ไหมมันน่าหวาเสียวเป็นกันชีวิตจริงอ่ะโมันเหมือนอย่างนี้อ่ะอกุศลเก่าก่อนเยเราทํามาดีบางคนนี่จะทํามาดีมากเลยได้มีตาหูจมูกริ้นกายได้มีได้มีได้มีอัตภาพดีมีสติปัญญาดีอะไรดีเนะแต่มาเกิดไม่ค่อยดีอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฐิเสียเลยแต่เนี้ย เอาเอาความที่ได้ดีของบุญเก่ามาไปทําไม่ดีมันก็เสียอะไรตรงเนี้ยเพราะมันไม่มีใครตามคอยคอยบ่มอัธยาสัยเราเหมือนพระเกษเนี่ยเออพระนาคเกษเนี่พระนาคเกษเนี่ย พ, ยพระละหันท่านไปตามถึงบนสวรรค์เนี่ยไปตามเส็ดเสร็จท่านถึงถามพาระละหันว่ามีใครจะลองแล้วลองมีมีใครจะรับรองท่านบ้างเนี้พระลรหันตั้งหลายองค์คอยบ่มให้ ไอเราเนี่ยโหเกิดมาอยู่ไม่มีใครที่จะคิดจะบ่มให้เราเลยใช่มไหมรอจนโหบางที่ทิศ ท, ทีเราจนกล้าหมดแล้วกล้าวหมดแล้วจนจะไม่ฟังใครได้อยู่แล้วว่างั้นเถอะโหยากมากถึงบอกว่าพยายามสร้างปัจจุบันนะพบเลยแต่ว่าให้มันคิดได้ช้าก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันจะเป็นอัตยาสายไปได้บ้างคิดได้ช้าก็ไม่เป็นไรตรึกได้ช้าก็ไม่เป็นเลยนี่เป็นอย่างไงทีนี้ นี่คือปุญญาพิสังขารเนี่ยนะส่วนรูปกุศลเจตนาห้ารูปกุศลเจตนาห้านั้นเขาก็ยังสามารถแบ่งเหมือนกันไม่ใช่ไม่แบ่งแต่ว่าไม่พิสดารไม่พิสดารเท่าไหร่ที่เมื่อเชา้าที่พูดพอจำได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยว่มามหารูปกุศลรูปกุศลเจตนาห้าเขาก็ให้รูปวิบากห้า รูปกุศลเจตานา5รูปาวัจระปฐมกุศลมชานเนี่ยนะปฐมมะชานกุศลเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้รูปาวัจระวิบากใช่ไหมแล้วก็รูปาวัจระทุติยาชานเขาก็ให้ทุติยาชานิบากตัทยาชานให้ตติยาชานิบากจตุทชานก็ให้จตุทาชานิบากรูปาวัจระปัญจมชานกุศลก็ให้ปัญจมชานิบากอันนั้นเป็นผลโดยตรงของเขา ตัวของเขาเองเป็นมหาคตาผลนั้นก็เป็นมหาคตาส่วนกรรมมัชรูปที่จักขูภาษาท่าโสตภะษาทะแล้วก็หัตถยะเป็นต้นหรือกรรมมัชรูปส่วนอื่นของพวกรูปภพทั้งหลายอันนั้นเป็นเป็นเป็นส่วนของรูปซึ่งมีผลไม่ตรงกับตัวตัวรูปกุศลรูปกุศลเป็นมหาคตาแต่ผลเป็นปริต ธ, ธรมรมว่า ผลเป็นปริต ธ, ธรรมผลเป็นกามาวาเจรธรรมก็าบอกตัวเองเป็นเป็นมหากตากุศนแต่ให้ผลเป็นปริต ธ, ธรรมเพราะเป็นส่วนของรูปใช่ไหมรูปยี่บแปดก็อยู่ในส่วนของเป็นกามาวาธรรมเนี่ยกามาวจรธรรมใช่ไอยู่ในส่วนของกามากามาธรรมเพราะรูปนี่เป็นกามาธรรมนะกามาจิตห้าสิบสี่เจรสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้นี่แหละ ตรงนี้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นกลุ่มยังหวันหวหวนหว่นไหวอยู่ยังหวั่นอยู่ยังหวั่นไหวอยู่นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือในในด้านของการดูทางด้านปัจจัยนะปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยนะไปพิจารณาตรงนี้ก่อนว่า ในด้านการเป็นปัจจัยแก่กันและกันเนี่ยนะถ้าบอกว่าในปัจจัยยี่สิบีเป็นต้นเนี่ยนะที่ท่านมาสงเคราะห์ในที่นี้ถ้าถามบอกว่าปัจจัยแห่งอพิสังขารคือปุญญาพิสังขารเนี่ยนะโดยประการที่บอกว่าวิชาเป็นปัจจัยแห่งปุญญาพิสังขารด้วยประการสองคือโดยความเป็นอรารามานปัจจัยและเป็นอุปนิสยาปัจจัยถูกั้น ถามว่าอาวิชชานั้นเป็นปัจจัยโดยความเป็นอรมานปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารทั้งหลายฝ่ายการมาวาจรกุศลในการที่พิจารณาอะไรในขณะนั้นมหากุศลเจตนาแปดไปพิจารณาอาวิชชาคือโมหะเจตสิกที่ในโลภะที่ในโทสะที่ในโมหะนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นต้นเนี่ยนะโดยพิจารณาเห็นโดยความว่า ไม่น่าปรารถนามองเห็นอย่างฉะนั้นตัวเจตนาเนะี่ยที่เป็นมีโมหะเป็นอารมณ์เจตนาในไหนเจตนาที่ไหนมหากุณาจิจแปดในขณะนั้นกลับไปย้อนพิจารณาถึงโมหะเจ้าฮที่ในโลภะโมหะที่ในโทสะโมหะที่ในโมหะเนี่ยเมื่อไปพิจารณาแล้วก็เห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตา้วยความเสื่อมสิ้นไปสลายไป เห็นโทษเลยในเนี้ยเห็นโทษในกลุ่มนี้จะเห็นโทษบาประกรรมทั้งหลายเคยเกิดขึ้นบ้างไหมกรณีแบบเนี้ยไปพิจารณาถึงปั น, นธิบาตอธินาทานากาเมสุมิฉาจาร์มูสาวาตปิสุนาวาจาพ ร, รุสาวาจาสัมผัพลาปะอภิชาพยาบาทและความเห็นผิดในอดีตเก่าก่อนที่เกิดขึ้นกับเราและในบุคคลอื่นนะนะและเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยนบอกเออไม่น่ากระทำ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ดับไปแล้วไหมไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะเสื่อมไปสิ้นไปลักษณะอย่างนี้เป็นอารามณปัจจัยนี่คือเป็นในส่วนของอารามณปัจจัยทีนี้เป็นอารามณปัจจัยแห่งปุญญาภิสังขารฝ่ายรู ป, ประจร ร, ร, รูปาวจรหรือรูปาวจรรกุศ ล, ลจิตท่าเนี่ยนะในการที่รู้จิตอันเป็นไปกับโมหะทั้งของตนและของบุคคลอื่น รู้จิตเนี่ยจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเป็นอารมณะปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารฝ่ายรูปาวจรในการที่รู้จิตอันเป็นไปกับโมหะของตนด้วยอะไรด้วยอภิญญาจิตอันนี้ได้ท่านจัดด้วยได้บอกว่าอภิญญาจิตเนี่ยที่เขาเรียกว่าเจโตปริยญาณเนี่ยนะญาณในการที่รู้วาราจิตของบุคคลอื่นใช่คนที่จะทาอภิญญาได้คนคนนั้นต้องได้อะไร รูปาวัจจกุศลห้าเมื่อได้รูปาวัจจะกุศลจิตห้าเอารูปาวัจระกุศลจิตห้านั้นเป็นบาตแห่งการเจริญนั่นแหะอภิญญาพอได้อภิญญาแล้วอภิญญานั้นประเภทหนึ่งก็บอกรู้วาราจิตของบุคคลอื่นได้เขาบอกไปรู้ยัง ไ, รรไงรู้ไหมท่านทัพไปดูน้ํารองหัวใจอะได้เลยแล้วรู้เลยว่าท่านพวกนี้มีโมหะเกิด ก็จะสามารถอย่างลงดูน้ําเลี้ยงหัวใจใ น, ในขณะนั้นเป็นสีอะไรใช่ไหมสีความโลภเป็นสีนี้ความความโทสะเป็นสีนี้โมหะเกิดสีนี้เป็นต้น น, นะนะก็จะรู้ทันทีว่าในขณะนั้นจิตโมหะก็รู้ว่าท่านผู้นี้จิตกําลังมีโมหะเห็นไหมว่าสามารถที่จะไปรู้ของตนและของคนอื่นได้แล้วก็สามารถรู้ตนเองได้โอ้ตัวนี้ไม่ ในขณะที่ผ่านมาเนี่ยเออขนาดจิตของตนเองมีโมหะกิดลักษณะอย่างนั้นคืออภิญยาอะไรเข้าไปรู้รูปาวาจระวจรกุศลปัญจมชฌานที่จัดเข้าเป็นอภิญยานเนี่ยแหละเข้าไปรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวเจตนาที่ในรูปาวาจระปัญจมชฌานกุศลละจิตหนึ่งใช่ที่เป็น ปัญญาพิสังขารฝ่ายรูปราวจรนี้นะไปรู้วาละจิตของบุคคลอื่นโดยฐานะว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะโดยเจโตปริย า, ยานแต่เมื่อว่าเมื่อบุคคลบำเพ็ญบุญกิจวัตถุฝ่ายกรรามาจรทั้งหลายอยู่มีฐานะกุศลเป็นต้นก็ดีก็ยังรูปราวจรทั้งหลายให้เกิดขึ้นก็ดีเมื่อประโยชน์แห่งการก้าวล่วงเสียซึ่งอวิชชาเนี่ยนะ ก็เป็นปัจจัยโดยความเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่ปุญญาภิสังขารทั้งสองนั้นคืออย่างนี้เมื่อบุคคลปรารถนาถามบอกว่าบุคคลบำเพ็ญบุญกิจวัตถุฝ่ายกามาวจรเนี่ยนะถามว่าในขณะนั้นให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนะี่ยบุญกิจวัตถุกไหมสิบอย่างที่เราคูนไปบนกระดานเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าในขณะนั้นเขาเรียกบุญกุศลที่มีทานในกุศลเป็นต้นเนะี่ย ในขณะนั้นน่ะถามว่าทา น, นากุศลเกิดขึ้นเป็นต้นมีอะไรเป็นอุปนิสัยมีอะไรเป็นอุปนิสัยอย่าลืมนะโมหะเป็นอุปนิสัยนะโมหะเป็นวัตูปนิสัยปัจจัยจึงเป็นปัจจัยแห่งท่านบูนนั้นมาปาราบทานปารปาศีลปราบภาวนาปาราบอปจายนาเวยาวจารปฏิทานะปาราบการฟังธรรมปราการเทศเมื่อนทําความเห็นให้ตรงนะ่ะแต่ปาราบอะไร ปาราลบด้วยอำ น, นาจของอะไรด้วยอุปนิสยปัจจัยมีการปรารถนากามาพบรูปพบแล้วก็ทําบุญทั้งสองนั้นปรารถนาใช่ไหมลักษณะเงี้ยปรารถนาพบอะไรเราเป็นปัจจัยของการปรารถนาโมหะเนอะจริงหรือว่าถ้าเราไม่ปรารถนาแล้วจะมีฮะโมหะเป็นปัจจัยแก่สังขาร น, นี่คือโมหะเป็นปัจจัยแก่สังขารในฐานะเป็นอุปนิสยปัจจัย หรือปกตูปณิสสยปัจจัยที่เราปรารถนาะการ ม, มาพบรูปประพบเะรใช่ไหมเพราะจริงๆโลภะเกิดขึ้นมีโมหะเป็นมูลใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นก็โมหะเป็นมูลโมหะเกิดขึ้นก็โมหะ เ, เป็นมูลใช่ไหมอันนี้เอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนะเป็นปัจจัยเจตปุญญาพิสังขารในส่วนของมหากุศลเจตนาแปดและรูปกุศลเจตนาห้าเพราะงั้น รูปุสลเจตนาห้าฟังนี้เข้าใจยากไหมเนี่ยยากหรือเปล่านี่ฟังยากเนี่ยฟังเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละฉะนั้นในกรณีที่ปรารถนาตาปรารถนาหูปรารถนาจมูกปรารถนาลิ้นปรารถนากายใจที่ประณีตประณีตที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาอย่างนี้เป็นปรารถนากรมภพถ้าปรารถนารูปภพคือปรารถนาอัตภาพในการเป็นพรหมปรารถนาได้ฌานสมาบัติแล้วก็เจริญบุญ มีโมหะเป็นอุปนิสัยเขาเรียกมีโมหะเป็นอัธยาศัยเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นอุปนิสัยทํทาให้ตนเองนั้นปรารถนาทุกขปรารถนาทุกขมันเป็นทุกเมื่อและปรารถนาทุกขนถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าไม่มีโมหะเป็นเป็นอุปนิสัยโมหะก็จะไม่ปิดจะไม่กางกาั้นเห็นไหมอย่างนี้มันทุกเกิดปรารถนาขันก็คือปรารถนาทุกข ปัฒนานอัตภาพเนี่ยนะนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้นะว่าฉะนั้นในลักษณะที่บอกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแกปุญญาพิสังขารเป็นไปด้วยอาการลักษณะอย่างนี้นะเป็นไปอย่างนี้ถ้ามาพิจารณาดูแล้วการปราฐถนาการเป็นมนุษย์การปราฐถนาเป็นเทวดาการปราฐถนาเป็นรูปภพเนะี่ยลักษณะอย่างนี้จะมีโมหะเป็นอุปนิสัย เป็นปัจตโอปณิสยปัจจัยถ้าไม่มีโมหะเป็นเหตุธรรมที่ทําสําเร็จแล้วเนี่ยคนจะไม่ทําบุญเพื่อปรารถนาสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะการปรารถนาสิ่งเหล่านี้นั้นโมหะจะเป็นเครื่องกลางการตัณหาประกอบอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแต่จริงๆในที่นี้ต้องการบอกเราทําบุญกันทำไมเดียวมะทําไ ม, ทไมเราต้องทนในการทําบุญสุนทานให้ทานรักษาศีลเจริญภานาเป็นต้นเนี่ยนะ บุญกิจวัตถุวันวันหนึ่งน่ยไปในเราทํากันทําไมเล่ากันอันนี้มีอะไรโมหะเป็นอุปนิสัยโดยแท้เพราะไม่ได้ตั้งอัธยาศัยที่จะออกใช่ไหมไม่ได้ออกไม่ได้อกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำเราได้พ้นจากว่าแต่ทุกข์ได้คอยข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ทำเราเนีมยบางทีปรารถนาพ้นทุกข์ก็ปาฏิหาริย์เบาๆแต่ปรารถนาเอาแล้วโอ้โหเอาจริงเอาจังเลยเอย่างเงี้ยมันกลางกันน่ย ทีนี้ประการต่อมาทําความเข้าใจอีกอย่างอันนี้ได้สองปัจจัยนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารได้สองปัจจัยถึงแม้เป็นปัจจัยแก่มหากุศลก็ได้สองใช่ไหมได้อา ร, รมณ์ปัจจัยในฐานะที่มหากุศลเจตนานั้นไปมีโมหะเป็นอารมณ์ไปพิจารณาโมหะโดยความไม่เที่ยงเบีนทุกไปในนัตตาสรุปง่ายๆดูเนี้นะลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามหากุศลเจตนานั้นมี โมหะเป็นอารมณ์เคยนึกไหมเวลาเรานึกถึงปาณาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะคิดไปแล้วเราก็สะท้อนเนี่ยแล้วตรึกตั้งใจว่าโอ้ไม่เอาอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วเนี่ยไม่ฆ่าไม่รักไม่ ข, มมขโมยก็น้อมในการที่จ ะ, จะเจริญศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปทานกุศลศีลกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกโมหะเจมหากุศลเจตนาไปมีโมหะในโลภะในโทสะใน ในในในในใ น, ในโมหะเป็นอารมณ์นี่เป็นนี้หรือถ้าไปสูงไปกว่า น, นั้นก็คือเห็นโดยไตรลักษณ์เลยเห็นเป็นโรคเป็นหัวผีเป็นลูกศรเลยเจตนาไปเห็นเจตนาในกุศลไปเห็นไปเห็นโมหะด้วยความไม่เที่ยงชเช่นยกตัว อ, อย่างบางทีเราแล้วตรึกในการเจริญกุศลนึกถึงโมหะเก่าก่อนเงี้ยพิจารณาไปอุกรรมที่ทําด้วยโมหะก็ทํามาแล้ว แต่ก็พิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วเพื่อจะได้ละชันทลาคะแล้วต่อไปจะได้ไม่ทำาแต่ไม่เที่ยงมีผลไหมนะที่ทำมาแล้ว ม, มีนะไม่ใช่ไม่เที่ยงเราไม่มีนะก็ต้องดูว่าบ่มอินทรีย์แค่ไหนด้วยนะบ่มอินทรีย์กคนการจะ ก, การบาปได้ดีหรือไม่ดีนะั้นคือคําว่าสารวมอินทรีย์ถึงจะได้สุดจริตสามใช่ไหม เมื่อสุติริษสามเกิดขึ้นมาได้แล้วสติปัฏฐานยิงจะตามมามันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าปิดบาปในทวานทั้งหกได้ไหมปิดบาปได้ไหมตัวสังวรตัวนี้นย่อยใน อ, อ๋อปากตะตัวใช่ไหม อ, อ, อ๋อก็คือตัวอุปนิสัยปัะจัยนยั่นแหละแต่ต้องการแยกให้ดูว่านั้นน่ะมาจากอุปนิสัยปัจจัยที่จริงก็คือกล่าวอุปนิสัย ใช่ทั้งนั้นตรงนี้ก็ต้องข่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยก็ได้แต่ถ้าทำปากประตูอุปนิสัยจะปัจจัย น, นั้นวัตถุประสงค์ในการทําก็คือวัตถุประสงค์จจของของผู้รจนาก็คือต้องการให้รู้จักว่าแง่ของอุปนิสัยปัจจัยแง่ไห น, น, นใช่อย่างนั้นชัดเจนต้องอย่างนั้นเพราะว่าในทางด้านของอุปนิสัยปัจจัยเขาแยกออกมาเป็นสามใช่ไหม ออกมาเป็นอารามณูปนิสยปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยแล้วก็ปกตูปนิสยาประใจไงฉะนั้นจะพูดถึงอารามณูปนิสยปัจจัยจะพูดถึงปกตูปนิสยปัจจัยหรืออนันตรูปนิสยปัจจัยก็คือการกล่าวถึงอุปนิสยปัจจัยนั่นเองนีการกล่าวถึงอุปนิสยปัจจัยนั่นเองแต่ว่าเป็นอุปนิสยปัจจัยในแง่ของปักตูปนิสยปัจจัย<ส nei>เพราะอะไรรู้ไหม เพราะถ้าหากว่ามองในแง่อารมณะปัจจัยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าโมหะเนี่ยอยู่ในวิถีอะไรกุศลวิถีหรืออกุศลวิถีอยู่ในวิถีที่เป็นกุศลหรืออกุศลอยู่ในอกุศลวิถีเพราะเป็นบาปส่วนเจตนาที่ในมหากุศลอยู่ในกุศลวิถีหรืออกุศลวิถีก็บอกอยู่ในกุศลวิถีฉะนั้นอกุศลวิถีกับกุศลวิถีจึงเกิดกันคนละวิถี จึงไม่ได้ในแง่ของอนันตรูปนิสยปยัจจัยคือไม่ได้เกิดขึ้นติดต่อกันใช่ไมและถ้าในแง่ของการเป็นอุปนิสัยที่ทำให้คนนั้นทำบาปคนคนนั้นปรารถนาในการที่จะปรารถนากามภพบหรือรูปประพบอยู่ตอนนั้นไม่ได้มีไม่ไม่ใช่โมหะนี่เกิดแต่ว่าเป็นตัวมหากุสลที่เกิดขึ้นมหากุสลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่ยังปรารถนาทุกอยู่ พาะมีโมหะเป็นอัธยาศัยที่ดับไปแล้วโมหะนั่นเป็นอุปนิสัยที่เคยเกิดแล้วเก่าก่อนแต่ดับไปแล้วดับไปแล้วเขามีกำลังเกื้อหนุนปกคุมปิดบงังทำให้ท่านเหล่านั้นไม่เห็นทุกข์ปรารถนาทุกข์เหมือนปรารถนาอะไรนะเหมือนปรารถนาที่อยากจะเลียน้าพึ่งบนใบมีดโกนนะมันหวานใช่ไหม เพราะจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคนกล้าทำบาปเพราะเขาให้อาสาทะให้รสอร่อยให้ความเมามันให้ความเพลิดเพลินคนถึงกล้าทำบาปโดดลงไปในเหวท่านว่างพ<ว>เพื่อต้องการอยากจะได้เทียบที่ดา <c oughs> <c oughs> แต่ต่อไปนะแต่เป็นเลยเดี๋ยวถ้ารูปาวัจจะ ก, กุศลใช่ไหมปฐมฌานกุศลทุติยฌานกุศลติเดียฌานกุศล จตุทะฌานกุศลและปัญจมาฌานกุศลรูปกุศลและจิต5เกิดขึ้นมาก็เพราะโมหะเป็นอุปัิสยปัจจัยหรือเป็นปะกตัปัิสยปัจจัยถามว่าปรารถนาฌานปรารถนาอัตภาพคือพรมก็คือปรารถนาทุกไม่พ้นจากชาติทุกข์มรณะทุกข์เป็นก็ในอภิน ญ, ญางเมื่อกี้พูดไปแล้ววงเล็บไว้ด้วยนะ ถ้าไม่มีหนังสืออภิญญาอภินยารูปปัญจมะฌานกุศลอภินยาหนึ่งนะ น, นะในขณะที่ไปพิจารณาจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะนะในจิตของตนเองและในจิตของบุคคลอื่นว่างั้นในขณะนั้นเนะ่เหตุธรรมที่ทำสำเร็จแล้วถามว่าอย่างนี้นะว่ายังในขณะที่เจริญกุศลในขณะที่เจริญกุศล และยังมหากุศลและจิตแปดให้เกิดขึ้นใช่ไหมการเจริญกุศลที่ทำให้กุศลและจิตเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปตามลำดับเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อปรารถนาการมพบเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็มีอวิชชาเป็นอุปนิสัยเนะเป็นปะกตูนะหรือเจริญมหากุศลและในที่สุดจริงๆแล้วก็ได้อะไรได้ปฐมฌานได้ทุติยฌานอยู่ไง ไอ้ตรงนี้อะไรเป็นปัจจัยแก่แก่ปฐมฌานเป็นต้นน่ยโมหนะนั่นแหละถ้าอย่งเราดู ต, ต่อไปในะคำว่าอาวิชาชาปัจจยาสังขาราสัมพวันติสังขารทั้งสย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชาเป็นเหตุเพราะาอาศัยอวิชาเป็นเหตุนเนี่ยนะก็ได้กล่าวในเรื่องของอวิชาคือโมหะเจตสิก เป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารคือมหากุศลเจตนา8ดแล้วก็รูปกุศลเจตนาหอันนั้นผ่านไปนะประการต่อมาก็คือว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่อภิสังขารถัดไปนะอันนี้หลายประการนี่หลายอย่างโดยความที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาพิสังขารก็คือโมหะเจตสิกโมหะเจตสิกนี่แหละที่ไหนอกุศตจิตสิสองเนี่ยนะ เป็นปัจจัยแก่อกุศลเจตนาสิบสองเป็นปัจจัยแก่อกุศลเจตนาสิบสองคือสัง อ, อปุญญาภิสังขารนั่นเองทีนี้อวิชชานั้นเน่ยเป็นปัจจัยไหมเป็นปัจจัยแก่อปุญญาพิสังขารได้หลายอย่างไหมได้หลายอย่างมากเพราะในขณะนั้นนะราคะโทสะราคะโทสะโมหะเป็นต้นเกิดขึ้น ปารลบอวิชชาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณปัจจัยเห็น ไ, ไหมสามารถที่จะปารลบโดยความเป็นอารมณะปัจจัยก็ได้เช่นราคะความกำหนัดยินดีไหมถ้าในขณะที่โลภะเกิดขึ้นเนี่ยนะยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมะทั้งหลายเนี่ยไอตัวราคะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นน่ะมีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีโมหะ มีตัวโมหะนเป็นปัจจัยทำให้ความกำหนัดนักความกำหนัดแหลงแรงกล้าเป็นต้นหนนะความยินดีพอใจความเพลิดเพลินความรุ่มหลงต่างๆเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ย<ม>ก็เพราะอาวิชานั่นเองเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารามนาปัจจัยในการที่อวิชานั้น <c oughs> เป็นหน้าที่หนักเกิดเกิดความพอใจขึ้นก็เป็นปัจจัยโดยความเป็นอารามนาที่ปดีก็ได้เป็นอารมนูปนิสยก็ได้ เมื่อบุคคลหลงไปโดยความไม่รู้แล้วในการเห็นโทษในการทําบาปเนะในขณะนั้นก็เป็นอุปนิสยปัจจัยแล้วก็เป็นกลุ่มอนันตรปัจจัยเป็นต้นนี่นะให้สังเกตตัวปัจจัยโดยตัวเนี้ยโมหะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาภิสังขารเนี่ยได้เหตุปัจจัยอารามณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตปัิจัย อัญญมัญญานิสยาอุปนิสยาปัจจัยอาเสวนาปัจจัยสัมยุญตปัจจัยอัตถิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจั ย, อ, จจยอันนั้นเขาแยกไปตามลำดับของปัจจัยทีนี้ถ้าจะคิดให้ง่ายๆคิดยังไงไอ้คำว่าง่ายๆคือคิดให้มันเข้าใจไม่ยากเนี่ยนะโมหานี่เป็นอะไรโมหะเป็นอะไรวอกง่ายหนะอะ ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งดูตรงนี้ก่อนนะคิดในทางด้านของสหชาติชาติก่อนโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งใ น, ดว ง, น, งในดวงที่หนึ่งนะเออขออภัยโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนั้นมีโมหะเจตสิกอยู่ด้วยและก็มีเจตนาอยู่ด้วยเห็นไหมหลักของสหชาติชาติก็มีอยู่ว่าไอตัวปัจจัยกับปัจิุบัน ก็จะต้องเกิดพร้อมกันโมหะเป็นปัจจัยเจตนาเป็นปัจจิยุบันโมหะเป็นเหตุเจตนาเป็นผลฉะนั้นโมหะกับเจตนาอยู่ในจิตดวงเดียวกันเกิดพร้อมกันเนี่ยโมหะจึงอยู่ในฐานะเป็นเหตุัจจัยเจตนาจึงอยู่ในฐานะเป็นเหตุตปัจจิยุบันเห็นไหมเขาเกิดพร้อมกันเลยตัวเหตุกับผลเนี่ยตัวปัจจัยกับปัจจิยุบันเนี่ยเกิดพร้อมกันเลยใช่ไหมเห็นไหมว่าโมหะก็เกิดเจตนาก็เกิด เห็นไหมเห็นไห ม, ไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกสหชาติชาติแล้วพอโมหะพอสหชาติชาติเล็กมาได้โมเอเหตุปัจจัยได้แต่เนี้ยต่อไปสหชาติชาติใหญ่สี่เขาเข้ามาแล้วเห็นไหมถามว่าโมหะกับเจตนาเนี่ยเกิดพร้อมกันไหมถ้าเกิดพร้อมกันเขาเรียกว่าเป็นสหชาติตปัจจัยเห็นไหมเป็นสหชาติปัจปาาปจัย และโมหะกเจโมหะยังมีอยู่ไหมเจตนาก็ยังมีอยู่ไหมอย่างนี้เขาเรียกสหาชาติทิปัจจัยเกิด <_ d ream> พร้อมกันด้วยยังมีอยู่ด้วยโมหะกเจตนาก็ยังไม่ปราศจากไปใช่ไหมยังไม่ปราศไปใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกสหาชาตะอวิคตะปัจจัยเห็นไหมสหาชาตะสหาชาตะและโมหะเนี่ยถามว่าเจตนาเวลาจะเกิดขึ้นต้องอาศัยโมหะไหม เทเจตนาในโลภะอย่างนั้นเขาเรียกสหาชาตะนิสยปัจจัยเห็นไหมโมหะเป็นที่อาศัยให้กับเจตนาที่ในโลภะดวงแรกเป็นต้นทีนี้ลักษณะนี้ได้ไหมเหตุปัจจัยได้แล้วนั่นเป็นสาชาตชาติเล็กพอต่อมาสาชาตชาติใหญ่เข้าเลยทอเนี้ยเต็นสหาชาตะเกิดพร้อมกันโมหะกับเจตนาเป็นสหาชาตะนิสยาโมหะเจตนาสายโมหะ โมหะเป็นที่อาศัยกับเจตนาเป็นสหาชาติทิโมหะยังมีอยู่เจตนายังมีอยู่สหาชาติวิคตะโมหะกเจตนายังไม่ปราศจากไปไหมห็นได้สาชาติชาติได้ห้านะได้หปัจจัยแล้วนะและยังมีสาชาติชาติกลางอีกถามว่าโมหะกเจตนาสัมพยุตกันไหมถ้าสัมพยุตได้สัมพยุตแต่ปัจจัยและโมหะกับเจตนาที่ในโลภะดวงที่หนึ่ง เขาจะขาดกันได้ไหมเขาบอกเหมือนในไม้ขาอย่างสามขาตั้งอยู่เนี่ยชักขาใดาขาหนึ่งล้มไหมล้มเลยใช่ไหมฉันใดเอาเอาโมหะออกก็ไม่ได้เอาเจตนาออกก็ไม่ได้ในใ น, ในโลภะนี่นะจึงเป็นอัญญามัญญะปัจจัย ก, ก็ซึ่งการเลิกันใช่ไหมซึ่งการเลิกันสรุปแล้วสาชาติชาติได้เจตปัจจัยนไหมได้เจตปัจจัยแล้ว ทีนี้พอดูในทางด้านของอนันตระปัจจัยดูอนันตระปัจจัยดีในที่เริ่มเรียนวิถีมาถ้าเรียนวิถีปุ๊บนี่มองเห็นเลยแต่เนี้ยอมองยังไงดีอวิชาคือโมหะที่ในชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นอนันตระปัจจัยแก่เจตนาในชาวนะดวงที่สองเห็นอย่างทำไมเป็นอนันตระปัจจัยได้ถามว่าโมหะเนี่ยเป็นเจตนาไอเป็โมหะที่เป็นชาวนะไหม เจตนาในโลภะเป็นชาวนาไหมเห็นไหมว่าโมหะที่ในชาวนาดวงที่หนึ่งเป็นอนันตระปัจจัยเกิดขึ้นโดยไม่มีระหว่างขั้นแก่เจตนาในชาวนาดวงที่สองเป็นต้นนี่นะที่ในชาวนานี่นะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเป็นอนันตระปัจจัยเกิดขึ้นโดยไม่มีระหว่างขั้นแล้วต้องเป็นสมนันตระปัจจัยด้วยเกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวเนื้อแล้วเมื่อเป็นสมนันตระปัจจัยเป็นอะไรอีกแต่เนี้ยอนันตรสมนันตระ อนันต์รูปนิสยาณทีโดยความที่ว่าดวงโมหะต้องดับไปแล้วชาวนาดวงที่สองจริงเนี่ยวิคัตตะคือต้องปราศจากไปแล้วแล้วเป็นอาเสวนะไหมเป็นชาวนาไหมเป็นชาวนาไหมยก็เป็นอาเสวนะปัจจัยคือเสพเห็นไหมอารมณ์ลักษณะเห็นไหมว่าอนันตระสำนันตระนัทิวิคตตะอาเสวนะเดห้า ใช่จริงถ้าเพิ่มอนันต์รูอีกได้ด้วยได้หกปราดดวงแรกต้องปราศจากไปแล้วกก น, นี่เป็นอย่างงี้เช้นอนันตราชาติได้ทีนี้ในแ ง, ของอนนแน่ของอารามนาปัจจัยอ่ะเออในแง่ของอารามนาปัจัยได้ไหม ย, ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้พูดไปแล้วโมหะเห็นไหมอะไรเป็นอารมณ์แกอะไรเดี๋ยวจะเขียนให้เดี๋ยวกําลังอธิบายอนันตชาตินิดนึง ถ้าในแง่ของอารามนาปัจจัยให้สังเกต ด, ดูที่ว่ามีไหมอารามนาปัจจัยมีอารามนาอารามนาปัจจัยอารามนาทิปติปัจจัยใช่ไหมแล้วก็ได้ในแง่ของอารามนูก็ได้อารามนูปนิสยปัจจัยถามว่าเกี่ยวกับที่บอกว่าไดอารามนาปัจจัยอารามนาธิปติแล้วอารามนูเนี่ยนะเขาต้องบอกว่าอวิชชาเนะี่ยเป็นปัจจัยแก่อปุญโดยหลายประการนะ ในการที่ราคะเป็นต้นเกิดขึ้นน่ะในขณะนั้นน่ยเกิดความยินดีพอใจและชอบใจในราคะในขณะที่ชอบใจในราคาเป็นต้นเนี่ยในขณะนั้นเน่ยเป็นอารมณ์นะปัจจัยไหมเอาคนยังมัวเมาในการฆ่าใช่ไหมในการลักในการขโมยในการประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพ้อเจริเนี่ยเขามัวเมาเขาชอบ ถ า, ามลองถามบอกว่าให้เขาเลิกใช่ไหมให้เขาเลิกเล่นการพนันเขาไม่เอาหรอกเขาชอบเขาชื่นใจเขานั่งได้เป็นวันๆก็เอาเป็นว่าเขาไปนั่งได้เป็นวันๆก็เอาเนะ้นั่งเล่นไพ่เนี่ยเขาบอกว่าบางคนนั่งได้ยันคืนสว่างก็บ้างเป็นอารามนาที่ดีเป็นอารามนูด้วยเป็นอารามนาปัจจัยยังไม่พอยังเป็นอารามนาทีบดีเป็นอารามนูด้วยใช่ไหม บางคนไม่ต้องอะไรเราไปนั่งทําบาปเนี่ยไม่ต้องอะไรนะไปจับปลาพราะงั้นโอ้โหมันจับแล้วมันได้เยอะใช่ไหมท่านทับจับแล้วมันมันนะ่ะโอ้หูสนุกอนะ่ะจับได้มากใหญ่เลยตอเนี้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเห็นไ้มว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่การทำำนะํากรรมเนอะอวิชาเป็นอา ร, รมณะปัจจัยแก่การทำกรรมเพวานั้นนะบอกหูเจตนาในการที่จะไปทําเนี่ยรู้สึกมันมันสนุกมาก เพาะงนในเมตปานาดีบาตถ้ากลุ่มอาทินนาทานก็เยอะกลุ่มกามเมสมิชฌาจาร์ก็มากลุ่มพูดเท็จอบางทีบางคนสนุกนะแต่โกหกคนเนี่ยเพราะงัโ อ, นอสนุกจริงเพรางมีคนคนหนึ่งนะตอนสมัยเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยไอเราเกือบติดกันไอพูดโกหกค น, นไปโกหกคนแก่คนเท่าโ่าวันนี้เขามีหนังขายายามาเนะ่ยเขาบอกกันโอยคนแก่คนเท่าเตรียมเก็บของเก็บอะไรไปกันนะไปถึงวัดเนี อ้าวไม่เห็นมีอะไรมาเลยโหก็ว่าเขาสนุกเขานอนสนุกอยู่บ้านเนี่ยไอคนนี้ชอบโกหกคนแก่คนเฒ่าเห็นก็ติดลิกเกวางติดอะไรบางก็เตรียมเสือ้อเตรียมหมอนเตรียมอะไรนี่ยลักษณะเนี้ยเขาสนุกทํามุสาวาทและสนุกบางคนสนุกอีกกลุ่มนึงนะทําให้คนแตกแยกกันแล้วมารักตัวเองได้ดีใจเห็นไหมโมหะเป็นเครื่องกลางการเจตนาะเห็นไหมว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดการทํากรรมทําบาปอะมีมากใช่ไหม ในกลุ่มพวกนี้ถ้าในลักษณะนี้ในแง่ของอรารมณะปัจจัยอรารมณะปัจจัยทำมาแล้วยังชื่นใจนะไม่ได้สลดสังเวชใดๆเลยนะทางั้นคนฆ่าสัตว์ใช่ไหมมีอาชีพฆ่าเพชรฆาดเขาแดง น, ะนายน่าฆ่าโคนายสุกรแลนสุธริกเนะี่ยที่บอกวนะ่านายฆ่าหมูใช่มคนฆ่าโคฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่ า, กาไก่ปัจจุบันเนี่ยโ้ยเขาบอกเขาสนุกมาก หนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่าเ อ, อรู้จักไหมว่าทำไมเขาจึงเรียกว่าอเพชฌคาตเขาแดงอะในมีคนคนหนึ่งนะเป็นเพชฌฆาตเขาเรียกเพชฌฆาตเขาแดงไม่ใช่ไม่ใช่นายโคฆาตนะไม่ใช่ไม่ใช่คนฆ่าครูอันนี้ฆ่าคนเลยเลยแต่ก่อนเป็นโจรในโจรคนนี้ชัว่วจริงนะชั่วขนาดไหนรู้ไหมท่านทัพเขาบอกว่าขนาดเป็นโจรเนี่ยนะ ขนาดเป็นโจรไปขอสมัครเป็นโจรเนี่ยพวกโจรไม่รับเลยคือคนแบบนี้มันฆ่าได้ทุกคนเนะี่ยพ่อของตนเองก็ฆ่าได้ใครฆ่าได้หมดลักษณะดูจากโงเ่เฮงใช่ไหมตาอย่างนี้ลักษณะตาเหลือกอย่างนี้นะทลนออกมาหน่อยคราวแดงเพราะั้นนะแล้วสายตาดุไม่ค่อยกระพริบตาคือใจโหดเที่ยมมากอนะ่ะเพางั้นเธอก็ลองคิดดูว่า พวกทางการเข้ามาจับได้พอจับได้โจนห้าร้อยเนี่ยเขาถามบอกว่าใครอยากมีชีวิตรอดก็ต้องใช้มีดตัดคอห้าร้อยคนเนถ้าใครทำได้นะคนนั้นรอดได้ไม่มีใครกล้าเลยเขารักเพื่อนกันอย่งนั้นไอคนนี้ยกมือเอาเลยแล้วมันฆ่าหมดจริงๆด้วยฆ่าตั้งแต่หัวหน้ามาเลยตัดคอขาตัดคอขาตัดคอขาเนี่ย สี่รอยเก้าสิบเก้านี่ตนเองเลยเลยเลยไม่ต้องตายต่อมาเลยมาเป็นเพชฌฆาตรู้ไหมเนี่ยมัวเมาเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยแก่แก่ไปนาธิบาิแล้วต่อมาก็โอ้โหข้าเป็นวาเลนนะ่ยค่าตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยจนอายุแก่จนฟันคอคนไม่ขาดนะต้องฟันหลายเที่ยวกาลังมันแรงมันหมดแรงฟันตึกนี่ไม่ขาด ต้องอาศัยฟันบ่อยเขาเห็นว่าโอ้ไม่ไหวนี่เขาปลดนะเขาปลดโอ้พอกลับบ้านมาตัวเลอะเลือดเลอะอะไรต่างๆไม่เคยใส่เสื้อผ้าดีาต่อมาก็อาบน้ําใส่เมียก็ภรรยาก็ทําอาหารดีๆให้กินนะตอนเองโอ้โหไม่เคยไม่เคยว่างเว้นจากการฆ่าเลยชีวิตนนนเนี่ยือกันเนี่ย พระโปรดแล้วได้ไปสวรรค์ได้ลองคิดดูเพชฌฆาด เ, เขาแดงยังไปสวรรค์ได้คือถ้าไม่มีคนโปรดตายเลยเผอิญไปเกิดในยุคนั้นเนะในยุคที่มีพระรหันฐามาโปร ด, ดก็อัธยาศัยเขาสั่งสมไว้ <c oughs> ก็เหมือนจนองค์กุลิมานใช่ไหมเห <c oughs> มือนองค์กุลิมาน <c oughs> ถ้าลายลักษณะอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมว่าบางในมารายะหลังของเขาเนี่ย <c oughs> เขาเป็นยังไงดูไหมเขาก็บอกว่า พอเห็นพระสารีบุตรมาท่านมีศรัทธาแล้วพอเห็นพระมาท่านมีศรัทธาโอ้โหเราเนี่คนบาปโดยแท้เหนื่อยมากนะครับชีวิตมันแก่จกัดว่างา น, นอาหารที่ตนเองจะกินหิวก็หิวอยา ก, กนั้นเลยเนะี่ยปาลบทานกุศลได้เลยอย่างเราก็โอ้โหปาลบกินก่อนอย่างนี้บานคนนะนี่ในลักษณะว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารในแง่ของอารมามณปัจจัย ฉะนั้นได้อารามนาปัจจัยก็ได้อารามนาที่ประดีก็ได้อารามโูปนิสยาก็ไดใช่ไหมมีกําลังด้วยเนี่ยได้ในแง่เนี้ยโดยสรุปถ้าว่าโดยตามลำดับชาติสหาชาติชาติเจ็ดอนันตรชาติเท่าไหร่อันันตระสมนันตรอนันตูปนิสยานาณทิวิคตาอาเสวนะหกใช่ไมเจ็ดบวกหกเท่าไหร่ฮะสิบสาม แล้วยังบวกตามมาด้วยอีกอารมณะปัจจัยอารมณาทิปปีบและอารามณูปนิสัยอีกสามเป็นเป็นสิบปัจจัยแต่ในนี้เขาเขียนสิบห้าเขาไว้ก็คือซ่อนอยู่ในอุปนิสยาปัจจัยประตูปนิสยาปัจจัยอนันตระปัจจัยแล้วก็อุปนิสยาปัจจัยซ่อนอยู่ในนี้นะซ่อนอยู่ใ น, นี้จึงเหลือสิบห้าด้วยประการอย่างนี้ ทันยันพอจะมองเห็นแต่นี่ไงโมหะเจตสิกเห็นไหมถามว่าโมหะเจตสิกเนี่ยในแง่ของอนันตราชาติเ right น like ี today, ่ยเป็นปัจจ <cle ull aby> hmm? mm ัยแก่เจตนาโมหะเจตสิกที ration. ่ในโชนะดวงที่หน <for mel entrada> ึ่งเป็นปัจจัยแก่เจตนาในโชนาดวงที่สองโมหะในในโชนาดวงที่สองเป็นปัจจัยแก่เจตนาในโชนะดวงที่สามโมหะในเจตนาในโชนะดวงที่สามเป็นปัจจัยแก่เจตนาในโชนะดวงที่สี่ มโมหะในชาวนาดวงที่4เป็นปัจจัยแก่เจตนาในชาวนาดวงที่ห้าโมหะในชาวนาดวงที่5้าเป็นปัจจัยแก่เจตนาในชาวนาดวงที่6โมหะในชาวนะดงนวดงที่6เป็นปัจจัยแก่เจตนาในชาวนาดวงที่7็ดเอาเฉพาะในในในในชาวนาจิตเพราะพูดถึงโมโหะโมโหะจะเกิดในชาวนาจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้น ทีนี้ในแง่เงี้ยเป็นปัจจัยเงี้ยได้ยังไงได้อนันตระปัจจ an tw ัยตัวไหนเป็นอนันตระปัจจัยโมหะเป็นอนันตรปัจจัยเจตนาเป็นอนันตระปัจจัยุบันเห็นไหมโมหะเป็นอนันตรปัจจัยโมหะในชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นอนันตระปัจจัยเจตนาในชาวนะดวงที่สองเป็นอนันตระปัจจยุบันอย่างนี้เป็นต้นถ้าว่าไปเนี่ยนะเมื่อได้อนันตระปัจจัยแล้วก็ต้องได้สมนันตรปัจจัย ไ, ได้อนันตรูปนิสยปัจจัยด้วยอุปนิสยปัจจัยมาอีกและได้นัทธทีปัจจัยได้วิคตาปัจจัยและได้อาเสวนปัจจัยคือการเสพ บ, บ่อยๆเนี่ยมีเป็นอย่างนี้ก็มีมีมีใน ม, ม, มีในหน้าหนึ่งโาหาในชาวนะดวงที่หนึ่งเกิดแล้วนี่นะยังเป็นอนันตรยังสามารถเป็นปัจจัยแก่ เจตนาในชาวนะดวงที่สองด้วยนะเป็นในฐานะว่าเป็นอนันตระปัจจัยเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยใช่ไหมว่าและยังเป็นสัมมันตรปัจจัยด้วยเกิดขึ้นติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นให้สังเกตดูนะว่าคนลกรรมเลยชาวนะดวงแรกเป็นทิฏฐาธรรมเวทนิยกรรมใช่ไดวงที่สองเป็น อราบอลาวเวทนียกรรมถ้าไม่มีปัจจัยจัดสรร์อย่างนี้แล้วมันเป็นกรรมส่งผลต่างกันได้ยังไงก็เพราะอย่างเงี้ยเป็นสมานอันตรปัจจัยเห็นไหมว่าเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวเนะีแล้วเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยบอกว่าเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นแลวมีกาลังด้วยนะมีกาลังด้วยเนะส่งผลได้เยอะใช่ไหม แค่ในชาวนะดวงแรกก็ส่งผลมากมายอยู่แล้วถ้าดวงที่สองเป็นต้นไปก็ต้องส่งผลอีกมากตั้งแต่ดวงที่สองไปนี่ส่งผลเริ่มตั้งแต่ภพที่สามจนกว่าท่านผู้นั้นจะนิพพานนี่ยนะถ้ายังไม่นิพพานหนีตราบใดยังมีกระแสะขันหมุนอยู่มันตามมันตามเล่นงา น, นเนี่ยเนยทั้งบุญและบาปนี่เป็นอย่างนี้เป็นอนันตรูปนิสยปั จ, จเป็น อาเสวนะปัจจัยก็แปลว่าชาวนะดวงที่หนึ่งอยู่ในฐานะเป็นอาเสวนะดวงปัจจัยดวงสองก็อยู่ในฐานะเป็นอาเสวนะปัจจยุบันเห็นไหมเสพ บ, บ่อยๆว่านั้นกินนารมบ่อยๆคุ้ณอารมณ์นั้นบ่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ประการต่อมาก็คืออยู่ในฐานะเป็นนาทีปัจจัยถามว่าดวงแรกชวนะดวงที่หนึ่งต้องดับไปก่อนใช่ไหมชวนะดวงที่สองจึงจะปรากฏเกิดขึ้น และดวงที่หนึ่งต้องปราศจากไปก่อนดวงที่สองจึงปรากฏขึ้นเจตนาที่ในชาวนาดวงสองเป็นต้นจึงเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือในกลุ่มของอนันตรชาติถ้าในกลุ่มอนันตรชาติไม่มีเห็นไหมว่าทำไมนะ้ะชาวนาของเขากำลังกรรมของเขาจึงมากมายถึงเพียงนี้นะนี่เป็นอย่างนี้นี่ในกลุ่มของกลุ่มของอนันตรชาตินะัติปัจจัย ต่อไปอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อะไรนะอเนนชาพิสังขารเนี่ยไหมอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อาเนนชาวิสังขารก็คือว่าโมหะเนี่ยนะโมหะเจตสิกที่ในอกุศลก็งั้นเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่อเนนชาพิสังขารคืออรูปกุศลเจตนา 4. อากาสานญจายตนะกุศล วิญญาณัญจายัตนาคุศนอากินจัญญายัตนาคุศลและเนวะสัญญาณาสัญญายัตนาคุศลถามบอกว่าลักษณะที่บอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยในฐานะเป็นอุปนิสสัยปัจจัยเนี่ยนะ อ, อุปนิสยปัจจัยเท่าแก่ อ, อนเนญชาพิสังขารเป็นอุปนิสยปัจจัยเนี่ยนะโดยในที่บอกว่าเหมือนในปุญญาพิสังขารเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนเป็นปัจจัยกับรูปกุสน์ ถามบอกว่าปรารถนาในอรูปกุศลก็ปรารถนาไปเกิดในอรู ป, ปรภูมิใช่ไหมได้นมามขันธ์สีนะท่ท่านท่านทัพอาลาลดาบทและอุทะกาดาบทที่เคยพระโพธิสัตว์เคยไปพบแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของสมาบัติด้วยท่านเหล่านั้นได้อากินจัญญายตนะกับได้เนวะสัญญาณนาะสัญญายตนะฌาน ก็แสดงว่าได้สมาบัติที่เป็นอรูปกุศลเจตนาทีนี้อรูปกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นนะั้นเพราะท่านเหล่านั้นมีความสําคัญมั่นหมายว่าตนเองนั้นพ้นจากทุกข์คือยังปรารถนาทุกข์อยู่ใช่ไหมไปเข้าใจว่านั่นคือนิพพานไงไปเข้าใจว่านิพพานเนี่ยสําคัญนิพพานผิดพลาดเห็นไหมเนี่ยเดินผิดเนี่ยเห็นไหมว่าไปสําคัญผิดพลาดไปเข้าใจว่าตนเองนะ่ะหลุดพ้นหลุดพ้น ไปสําคัญว่าตนเองนะี่ยหลุดพ้นจากสังสารวัตรแล้วพ้นจากความทุกข์แล้วว่างั้นไม่ต้องมากลับมามีตาหูจมูกเล้นกายแล้วว่างั้นนะลักษณะอย่างนี้เขาต้งบอกว่าเป็นบุคคลที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นตัญหาประกอบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเป็นสำคัญบ้างแห่งท่านบอกเป็นนิพพานเนะี่ยอย่าลืมนะเป็นนิพพานของของท่านเลยนะอรูณ ป, ประพบเนี่ยอารมณอารมณ อารมประชานเะนี่ยเป็นวิพารของท่านเหล่านี้นะยิ่งเนว่าสัญญาณนะสัญญายาตนาแล้วเนะีย่ยแปดหมื่นสี่พันหมากับเนอะอันนี้สงอนะ่ะอันนี้สงเนะี่ยถ้าถ้าหากว่าลักษณะอย่างนี้ถามว่าที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นอัธยาสัยกับตนเองเนี่ยนะเป็นอัธยาสัยทําให้ตนเองนะนะั้นเนี่ะเข้าใจว่าไอ้ที่กระทํานั้นตนเองหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากจากความทุกข์โดยประการอะไรทั้งปวง เขาไม่มีรูปแล้วใช่ไหมไม่มีผมขนเล็บฟันหนังไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยแต่ยังปรารถนาใจบางอย่างอยู่ปรารถนาจิตบางอย่างอยู่เขาเรียกปรารถนาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิ ญ, ญาณขันในอรูปภพตัวนี้ถามว่าได้ในแง่ไหนไม่ได้ในแง่ของอารามานะนะแต่ได้ในแง่ของอุ ป, ปนิสัยปัจจัยคือปกตูวอุปนิสัยปัจจัย เหมือนที่บอกว่าเหมือนในปุญญาพิสังขารนั่นเองเหมือนที่บอกว่าบำเพ็ญภาวนาเขาเรียกภาวนากุศลกลุ่มเหล่านี้บำเพ็ญภาวนากุศลยังอรูปประชานทั้งหลายให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การแก่การที่จะได้ในลักษณะอย่างนั้นบางทีกลุ่มพวกนี้เขาไม่ได้ยินดีพอใจอวิชชาในการมาพบเนะ ไม่ได้ยินดีพอใจอวิชชาในรูปประพบแต่เขายังไปพอใจอวิชชาในอารมณ์ในอารมณ์นั้นอวิชชาจึงเป็นอัธยาศัยให้ท่านเหล่านั้นน้อมที่จะทําอารมประกรรมฐานแล้วก็ทําให้ตนเองได้อัตภาพในลักษณะอย่างนั้นในนทีนี้ไปวินิจฉัยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารทั้งหลายว่างัไน ย่อมมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาใช่ไหมถามบอาว่าอวิชชาอย่างเดียวใช่ไหมเป็นปัจจัยให้กับสังขารสามเนี่ยว่างั้นอวิชชาหนึ่งอย่างใช่ไหมเป็นปัจจัยกับปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารและอเนิเฉาพิสังขารและในสังขารมีทั้งเยอะใช่ไหมใช่อวิชชาเหตุหนึ่งอย่างแล้วให้ผลหลายอย่างใช่หรือไม่ใช่ไหมอวิชชาเป็นเหตุนี่เมื่ออวิชชาเป็นเหตุมีหนึ่ง อวิชชาเป็นหนึ่งแต่สังขารทั้งหลายเนี่ยก็แปลว่ามีปุญญาวิสังขารอย่างหนึ่งอปุญญาวิสังขารอย่างหนึ่งและอาเนียนชาพิสังขารอย่างหนึ่งสังขารที่เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปและสังขารที่เป็นอาเนญยนชาไม่หวนไหวเนี่ยนะบอกว่าอวิชชานะ่อย่างเดียวเป็นปัจจัยถ้าไปเข้าใจอย่างนั้นเป็นพวกเอกเ อ, เอ ก, กากรณวาทะพวกเอ ก, กากรณวาทะกล่าวว่ามีเหตุอันเดียว อันนี้ไม่ถูกต้องนะเอกะการณาวาธะคนมีวาทาว่าไอ้ผลเกิดหลายอย่างเพราะสร้างเหตุอย่างเดียวพวกนี้พวกเข้าใจผิดกลุ่มมิจฉาทิฏฐิยังไม่เห็นตรงตามพระธรรมคำสอนใช่ไหมไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุอย่างเดียวนะที่จะทําให้ผลเกิดหลายอย่างอย่างที่ได้กล่าวนี้ถ้าถามบอกว่าปัจจัยอื่นๆ อ, อย่างยกตัวอย่างที่บอกว่าอาวิชชา ปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายมีเพราะอาวิชเพราะปัจจัยคืออวิชาถามบอกว่าเอ๊ะทาไมถึงบอกอย่างนี้ถามว่าเอกะการณ์นิเทศนี้จะไม่เกิดประโยชน์ก็หาไม่ได้เพราะอย่างไรเพราะเอกผลก็บอกว่าเกิดแต่เอกเหตุไม่มีรู้จักเอกผลไหมผลหนึ่งมาจากเหตุหนึ่งมีไหมเคยเห็นไหมบอก ผลอย่างเดียวมาจะเขตอย่างเดียวเนี่ยเคยเคยเห็นไหมไม่เอาแค่เรื่องธรรมดาเนี่ยเอาแค่เรื่องธรรมดาแค่บอกว่าน้ำใส่มาในแก้วเนี่ยไม่ใช่มาจากมีแก้วอย่างเดียวแล้วจะมีน้ำได้เนอมันมีอีกตั้งมากมายใช่ไหมที่จะทำให้น้ำมีอยู่ในแก้วนี้ได้อีกเยอะแยะหวางนั้นแต่หรืออเนกผลเกิดแต่อเนกเหตุก็ไม่มีเต อ, อขออภัยนี่นะ อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเออมีไอมีมีหนึ <|no|> ่งอย่างไอหนึ่งอย่างนั้นมาจากอผลหลายอย่างอย่างเช่นว่าตาหูจมูกเล่นกายว่างั้นตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยนะมาจากการทำเหตุอย่างเดียวจึงได้ตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ใช่นะไม่ใช่เหตุเพียงหนึ่งอย่างแล้วจะทำให้ได้ต้องหลายอย่างอันนั้นก็ไม่มี เอกผลเกิดแต่อันเนกเหตุก็ไม่มีเหตุหลายอย่างแต่อาจว่าคือประโยชน์ในการแสดงเหตุกผลนั้มีอยู่เห็นไหมบอกว่าการแสดงเอกเหตุและเอกผลนั้มีไหมมีดั้งที่ได้แสดงเนี่ยผลอย่างเดียวเกิดแต่เหตุอันเดียวไม่มีสักอย่างในปัจจัยอาการเนี่ยนะผลหลายอย่างเกิดแต่เหตุอย่างเดียวก็ไม่มี ผลอย่างเดียวเกิดแต่เหตุหลายอันก็ไม่มีแต่ว่าผลหลายอย่างเกิดแต่เหตุหลายอย่างนั้นมีผลหลายอย่างเกิดแต่เหตุหลายอย่างนี่มีไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าเ้าบอกว่ า, ยายผมทั้งหลายอย่างได้แก่รูปกินรูปรถเป็นต้นเกิดแต่เหตุหลายอย่างเข้ามาอย่างยกตัวอย่างยังไงนยบอกว่าเอายังไงดีว่าเ อ, เอาเอาหน่อไม้ดีกว่า หน่อไม้ที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยหน่อไม้ที่แทงดินขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากฝนเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารเกิดจากดินโอ้โหอีกเยอะแยะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหลักษณะของบอกว่าลักษณะเนี่ยไอ้หน่อไม้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากเหตุหลายอย่างนะมีถึงบอกว่าว่า แต่การแสดงเหตุอ e ันเดียวและผลอันเดียวที er April, aí, ่พระพุทธเจ้าแสดงอวิชชาปัจจญาสังขาราสังขารและปัจญาวิญญาณังนั้นในการแสดงเหตุอันเดียวและผลอันเดียวอันนั้นอัดมีอยู่คือประโยชน์มีอยู่อันนี้มีอัดมีประโยชน์อัทธาเขามีอยู่คือประโยชน์มีคือว่าพระพุทธเจ้าแสดงเอกเหตุบ้างเอกผลบ้างเหมือนกันโดยควรแก่เทศนาวิราชและแก่อัจฉริยะใของเวไนยศัสตว์ทั้งหลาย ตามอัธยาศัยตามอุปนิสัยของสัตว์นั้นๆฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะว่าเป็นการแสดงเหตุและผละบางบทเป็นเหตุบางบทเป็นผลเป็นต้นเนี่ยถ้าเราให้สังเกตดูบอกว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารและปัจจายาวิญญาณังเนี่ยอันนี้คือว่าแสดงในลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าเหตุอันเดียวและผลอย่างเดียวใช่หไหยว่า อวิชาเป็นปัจจัยกับสังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยอันนั้นแสดงไปตามเทศนวิราชและแสดงไปตามอัจฉริยาสายของสัตว์ของเวไนคือแสดงอย่างนี้แล้วสัตว์ได้บรรลุพระองค์ก็แสดงแต่จริงๆแล้วเหตุผลหลายอย่างเกิดแต่เหตุหลายอย่างนมีนะไม่ใช่ไม่ไ ม, ม, มีแต่ผลอย่างเดียวไม่ใช่มาจากเหตุอย่างเดียวใช่ไหมอา้าก็ไม่มีเลย เมื่อกี้ที่ยกหน่อไม้ใช่ไหมเมื่อกี้ยกหน่อไม้ยใช่ไหมที่จริงอ่ะถามบอกว่าที่พูดถึงในลักษณะที่บอกว่าในหน่อไม้เนี่ยมันมีรูปอยู่ไหมมีกลิ่นอยู่ไหมมีรสอยู่ไหมมันมันอย่างเดียวเสมอไรแล้วมันมีดินในนั้นนะในหน่อไม้ยนะมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาอยู่ในนั้นนะ แต่พอพูดหน่อไม้ก็ให้รู้กันใช่ไหมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างเดียวมันมามันมีหลายอย่างในในนั้นเน่ยผลเน่ยเกิดขึ้นหลายอย่างอุตตุดินน้ําเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เกี่ยวกับในเรื่องของปุ๋ยเป็นต้นเหล่านี้นะเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นที่ทําให้หน่อไม้มันขึ้นมาได้มันเหตุหลายอย่างผลหลายอย่างยิงเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากไปเข้าใจอย่างนั้นจะกลายเป็นอะไรไหมเอกการณวาทะ เอกา ก, กรนวาทะคือคนมีวาท้าเห็นว่าเหตุอย่างเดียวทําให้ผลเกิดขึ้นอย่างเดียวหรือบางพวกก็ไปเข้าใจว่าผลอย่างเดียวมาจากเหตุอย่างเดียวหรือหรือมาจากเหตุหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนั้นคือเข้าใจคําสอนของพุทธเจ้าผิดพลาดเนินแต่ตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นเทศนาวิราชเป็นผู้ถวองสแสดงทำไปตามอัธยาศัยของสัตว์โลกนะ ถ้าเราจะได้บรรลุเรื่องอะไรผู้เจ้านำเรื่องนั้นมากล่าวเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธมีคุณถึงปานนั้นเนะถ้ามองหน้าพวกเรารู้อัธยาศัยของพวกเราเมื่อไรเนี่ยรู้ว่าเราจะได้บรรลุเรื่องอะไรเนี่ยพระองค์ก็จะเพียนเอาพระธรรมเทศนานั้นมากล่าวนี่เป็นอย่างนี้นี่พวกเรามันเกิดมาสุดท้ายปลายหลังเลยนะไม่พยายามน้อมฟังพระธรรมแล้วยังไม่พอยังตั้งข้อวิจิกิจฉา ย, ยิ่ง จริงเลอจริงเลยูอ่อีกมากนี่แหละนะทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้ก็เพราะไอ้วิจิกิจชาอี่แล้วทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าอาวิชชาปัจจยาสังขารเนี่ยนะการที่อวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษใช่แต่มีผลอันไม่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวเป็นปัจจัย